พระต้องลงปฏิโมกขุกทุกสิบห้าวันคำว่ า, าปฏิโมกก็คือศีลสองยบเจข้อพระเจ้าบอกว่าพระต้องศึกษาอยู่เรื่อยๆไม่ให้หลงไม่ให้ลืมลวิธีที่ไม่ให้ลืมก็คือต้องเรียนกันอยู่เรื่อยๆแล้วทุกสองอาทิตย์ก็เรียนกันครั้งหนึ่งมีภาพรูปหนึ่งท่านก็จะม า, ามาท่องให้ฟังว่ามีอะไรบ้างตั้งแต่ข้อหนึ่งถึง ข้อ227ตั้งแต่ข้อหนักลงไปถึงข้อเบาข้อหนักก็สี่ข้อแรกราลาชิกสราลาชิกสีนี้ผู้ใดละเมิดผู้ใดทาก็จะถือว่าขาดจากการเป็นพระทันทีข้อที่หนึ่งเขเรียกเสบเมทุนแปลว่าเสบกามีข้อที่สองก็คือฆ่ามนุษย์ ข้าที่สามก็รักทรัพย์ข้าที่สี่ก็อวดอุตริคุณวิเศษที่ไม่มีในตนที่อวดว่าได้บรรลุเป็นโสดาได้เป็นานาคาได้เป็น อ, นาานอรหันต์อันนี้มันก็เลยทำให้ผู้ที่บรรลุพูดไม่ออกเพราะพูดไปแล้วเดี๋ยวเกิดโดนเขา้าโดนเข้ากล่าวหา ว่าอวดอุตริเพราะไม่รู้ใครจะมารับรองไม่รู้ใครจะมาพิสูจน์ว่าคนนี้เป็นอรหันต์หรือไม่เป็นอรหันต์เพราะคนที่จะมารับรองก็ตาบอบดด้วยกันคนที่กล่าวหาก็ตาบอดด้วยกันคนที่อวดอุตริก็อาจจะตาบอดด้วยกันถ้าไม่ได้เป็นพูดออกไปก็ไม่มีใครรู้ว่าเป็นหรือไม่เป็น ถ้าเป็นพูดออกไปก็ไม่มีใครรู้เองเหรอกเป็นหรือไม่เป็นนอกจากผู้ที่ตาดีเท่านั้นนอกจากพาาาระอรหันด้วยกันเั้านั้นที่ท่านจะดูออกว่ า, เ, าเป็นของจริงและของปลอมดังนั้นสมัยนี้พาาาระอรหันท่านไม่ค่อยพูดเท่าไหร่คนที่พูดออกมานี้ต้องต้องต้องเด็ดจริงๆหลวงตานี่ท่านกล้าพูดเนี่ยแตรูปมนไม่มีใครพูดอ่ะ ท่านที่สังเกตอยู่ไม่มีครูบาลจารย์รูปไหนท่านบอกว่าเราจะไม่กลับมาเกิดอีกแล้วชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราเนี้ไม่มีใครพูดมีหลวงตาองเดียวแล้วก็หลวงตาเป็นคนรับรองเองทั้งหมดเนี่ยครูบาอาจารย์ต่างๆว่า อ, องนี้ไม่กลับมาเกิดแล้ว อ, องค์นี้ไม่กลับมาเกิดแล้วเพราะท่านได้ไปสนทนาธรรมกับท่านเหล่านั้นทุกโลก วันเราจะรู้ว่าอยู่ทาขั้นไหนมันต้องคุยกันมองกันเฉยๆมันมองไม่เห็น100ร้อเรซพอจะเห็นเห็นเห็นอยู่ว่ามีแววอยอู่คือการปฏิบัติการดำเ น, นิดนดาเนิด น, นดาลงตนนี่มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราสามารถวัดความเป็นพระอริยะได้แต่มันไม่หมดเพราะว่าคนที่ไม่เป็นพระอริยะก็อาจสามารถที่จะ ดำรงตนแบบนั้นได้เหมือนกันก็ต้องคุยถึงปิชชาธรรมต่างๆที่ผู้ที่ปฏิบัติจะต้องพบในการปฏิบั ต, ติตรงนี้ผ่านไปหรือยังตรงนี้ผ่านไปหรือยังเวลาผ่านผ่านอย่างไรทำอย่างไรถึงจะผ่านได้ถ้าคนนี้ผ่านมาแล้วด้วยการคุยกันปั๊บก็รู้เรื่องเหมือนคนทําแกงเขียวหวานนี่เขา คุยกันก็จะรู้ว่าใส่อะไรบ้างไม่ใส่อะไรบ้างคนที่ไม่เคยทำนี่เดี๋ยวไปพูดไปก็รู้เองครับพูดทำเป็นแล้วทาไม่เป็นหรือคนขับเครื่องบินก็ได้คนไม่ขับเครื่องขับเครื่อง บ, บินไม่เป็นลองไปคุยกับคนที่ขับเป็นดูเลยว่าทำอย่างไรบ้างพูดปั๊บเขาก็รู้ขับได้หรือขับไม่ได้วิธีที่พระ อริยะพระอาหารหันท่านจะพิสูจน์กันท่านก็ต้องคุยกันคุยกันถึงจะรู้นอกจากพระพุทธเจ้านี้ไม่ต้องคุยพระเจ้านี้อ่านเข้าไปในใจของของพระได้เลยอย่างพระอัญญาณโกนทัยะพอบรรลุปับ๊บแทงกระบอกอ้ออัญญาโกนทัญญนยะบรรลุแล้วเนอะรู้แล้วเนอะ เขาเจ้า น, นี้ท่านไม่ท่านมองเขามองเห็นทั้งร่างกายเห็นทั้งจิตใจพวกเราหล่านี้เห็นแต่ร่างกายเห็นแต่กิริยาอาการซึ่งไปเจอพ้าอรหันที่ท่านกิริยาการหยาบๆก็อาจจะไปคิดว่าท่านไม่เป็นก็ได้อย่างผ้าขี้ริวหอทองกิริยาการของท่านข้างนอกนี่เหมือนผ้าขีริว้วแต่ใจท่านนี่เป็นทองทองั้งทองทั้งแท่งเป็นธรรมทั้งแท่งนี่ห ตามบอหลวงปู่เจ๊ะเนี่ยเหมือนกับผ้าคีร้วหอทองเพกิริยาการท่านแบบว่าชาวบ้านเห็นก็เห็นว่าเป็นเหมือนชาวบ้านอย่างนี้พวกคุณหญิงคุณนายเห็นแล้วก็กลัววิ่งหนีหมด <laughs> ยิ่งหลวงปู่ตื้อเนี่ยใช่ไหมหลวงปู่อะไรนั่ะที่ท่านเทศ ใช้คำค่อนข้างยาสับปะดละนลวงพ่อหลวง อ, งอู่อเปื่อยหลวงปู่เต้ว่าเปล่าจำชื่อไหมน ะ, ะคนฟังเขาคิดว่าเป็นคำหยาบไปท่านพูดความจริงพูดของจริงพูดภาษาชาวบ้าน ของพวกนี้พวกเราจึงไม่มีวันที่จะรู้ได้ว่าองค์ไหนเป็นอะไรอย่างไรเห็นต้องระวังเวลาที่เราเห็นพระเห็นครูบาอาจารย์เราอาจจะวาดพระวาดพาาระอรหันต์พระอริยะต้องมีลักษณะอย่างนี้อย่างนี้พอมาเจอที่มันไม่ตรงกับสเปคของเรานี่เราก็อาจจะไปประมาทท่านก็ได้ ไปประมาทท่านว่าเอ้ยท่านไม่เป็นอะไรหรอกอแล้วก็คือถ้าเราไปประมาทเราก็เป็นคนขาดทุนเพราะเราก็จะไม่ศรัทธาไม่เชื่อเราก็จะไม่เข้าหาท่านพเราไม่เข้าหาเราก็จะไม่ได้รับธรรมจากท่านเห<อ>็นั้นก็ต้องระมัดระวังบางคนถึงกับ ไม่เชื่อยังไม่พอยังลบหลู่อีกถ้ายิ่งลบหู่ยิ่งยิ่งเสียหายใหญ่อย่างน้อยถ้าไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่เห็น <He ard. S 2> ว่าเราไม่ศรัทธาก็แล้วแล้วไปก็เรื่องของท่านแต่อย่าไปลบหลู่ว่าท่านเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พระอาหารหันนี่มันดูยากทาไมพระพุทธการสรัมมณียังเป็นพระอาหารหันก็มี พระเถระที่จบพระไตยปิฎกกลับไม่เล็ดเป็นพระแล้วกลับต้องไปศึกษากับสัมมาเนนพระเถระรุ่นหนึ่งท่านชื่อโพธิลัตโพธิรัตเวลาพระพุทธเจ้าพบทั้งทีไรก็บอกเนี่ยโพธิลัตโพธิรัตเธอเปนเหมือนใบาลานเปล่าอ่าน<ฮ>พระไตรปิฎกในใบาลานจบทั้งทั้งเล่มแต่ ความรู้ที่ได้มานี้มันไม่เป็นประโยชน์มันเปล่าประโยชน์เพราะว่าไม่ได้ไปทําให้ใจดูดพ้นจากความทุกข์เจอทีไรก็พูดอย่างนี้จนโปธิทลาดก็เลยเกิดความเอใจขึ้นมาว่าเอ๊ะท่านคงจะต้องให้เราไปทําอะไรมั่งพิจารณาดูว่ายังไม่ได้ปฏิบัติได้แต่เรียนอย่างเดียวจาคําสอนของพระพุทธเจ้าได้หมด คำสอนที่จำได้นี่ไม่มีกำลังพอที่จะไปดับกิเลสที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาก็เลยตัดสินใจไปเรียนไปปฏิบัติมุ่งไปที่สำนักที่มีแต่พระอาหารหันต์นวนๆไปถึงก็พ้าที่เป็นหัวหน้าท่านก็มีพรรษาน้อยกว่าท่านก็ปฏิเสธท่านบอกว่าท่านไม่สามารถที่จะ สั่งสอนพระเถระพู้ที่มีปัญามากกว่าได้ฉันกันลไปหาองค์รององค์รองก็บอกไม่ไหวเหมือนกันท่องก็ไปหาองค์ต่อไปหาไปเรื่อยๆในวัด น, นั่นน่ะจนในที่สุดก็ไปเจอสัมมเนรเหลือสัมมเนรอยู่รูปแต่ก็เชื่อว่าเป็นพระมาหา์ก็ฝากตัวเป็นนุกสิตอนต้นสัมมเนรก็จะตอบว่าไม่เหมือนกัน โหหน้าสํานักท่านก็บอกธรรมเนินไม่สงเคราะห์ท่านเท่านหน่นะธรร ม, มนเนิก็เลยรับพระเถเรศไปเป็นลูกศิษย์ก่อนที่จะสอนก็ต้องดูว่าเป็นลูกศิษย์จริงหรือไม่เอามาใช้่อนเชื่อฟังหรือไม่เอามาใช้ล้างบาทล้างกระโถนซักจีวรใช้กวาดถูกุฏิให้รับใช้สรรมเนิน ธรรมดาสามเณรต้องรับใช้พระเถระแต่นี่กับพระเถระต้องมารับใช้สามเณรเหมือนกับครูต้องมารับใช้เด็กนักเรียนแทนที่จะให้เด็กนักเรียนมารับใช้ครูครูต้องกลับมารับใช้เด็กนักเรียนเพราะเด็กนักเรียนนี้มีความรู้มากกว่าครูมีความสามารถมากกว่าครูครูมีความรู้แต่ไม่มีความสามารถ รู้ทำแต่ไม่สามารถนำเอาธรรมนี้มากำจัดกิเลสได้แต่สัมมาณนนีทั้งรู้ทั้งรู้ทั้งรมทั้งมีความสามารถสามารถดับกิเลสดับความโลภความโกรธความโกรธความหลงดับความอยากต่างๆให้หมดไปได้นี่ก็คือที่มาของเรื่องของพระอาหารหันต์ ว่าเราไม่สามารถที่จะรู้ได้จากตาเปล่าของเราว่าคนนั้นเป็นหรือคนนี้ไม่เป็นถ้าเราไม่เป็นเองแล้วเราคงจะไม่รู้ถ้าจะรู้ก็ต้อง ศ, ศึกษาและปฏิบัติจากท่านแล้วพอเร า, ารรลุจากคําสอนของท่านเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อใช่เหมือนพออาระอรลานที่เชื่อว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้านี่ ก็เพราะว่าเขาเป็นพระอรหันได้ก็เพราะพระพุทธเจ้าสอนให้เขาเป็นก่อนหน้านั้นไม่ม <more> ีใครเป็นพระอรหันได้แม้แต่รูปเดียวพอมีพระพุทธเจ้ามาตัดสรุปเป็นพระอรหันองค์แรกพระอรหันองค์ต่อไปก็เป็นกันได้เป็นเป็นหมื่นเป็นแสนไปเลยก็ไม่มีใครไม่มีใครมาปฏิเสธว่าพระพุทธเจ้าไม่เป็นพระอรหันทุกคน ยอมรับความจริงว่าท่านต้องเป็นถ้าท่านไม่เป็นท่านจะสอนเราให้เป็นได้ยังไงเหมือนกับเราขับเครื่องบินเป็นเข้ามาเรียนกับเรานี้เขาไปเรียนกับคุณเขาขับเองเขาขับไม่ได้พอเขามาเรียนกับเราเราสอนเขาให้ขับได้เขาพอเขาขับได้เขาก็ต้องเชื่อว่าเราขับได้แต่สมัยนี้มันลาบากเนียเพราะว่ามันไม่มีใครที่จะมารับรองกัน ใครขับเรือบินเป็นมาบอกขับเป็นคนก็ไม่เชื่อขึ้นมาก็อาจจะโดนข้อกล่าวหาปาราชิกได้อวดอุตริมนุษย์ะนั้นการที่จะบอกตัวเองว่าเป็นอะไรนี้จริงค่อนข้างที่จะลำบากในสมัยนี้ถ้ามีพระเจ้าคอยรับรองหรือมีอพระอาหารหันต คอยรับรองก็พอที่จะพูดได้นี่คือศีลของพระสี่ข้อแรกปาราชิกสแล้วก็ลองจากนั้นก็เเรียกว่าสังฆาดิเศษมีอยู่สิบสามข้อส3บสามข้อนี้ถ้าละเมิดก็ยังแก้ได้คือไม่ขาดจากการเป็นพระแต่ต้องก็เรียกว่าอยู่กรรมต้องมีการลงโทษ อ, อยู่กรรมแล้วก็ก็กลับมาเป็นออก็แก้กรรมไปแล้วแก้แก้แก้สินข้อที่ผิดไปได้แล้วข้ออื่นๆอีกสองร้อยกว่าข้อนี้ก็เวลาทำผิดก็ปร่งได้คือต้องไปสารภาพกับพระรูปใดรูปหนึ่งบอกว่าข้าพเจ้าได้ละเมิดสินข้อนี้ข้อนี้ข้าพเจ้าจะจำเอาไว้และจะไม่ทําอีก ก็ถอว่าได้ได้โปรงอาบัติทุกสิบห้าวันเนี่ยพระต้องเข้ารวมกันมาฟังมาทบทวนสสองอยี่2 2บเจ็ดข้อนี้มันญาติโยมทุกคนพระมาทบทวนสีล5ห้าสี่แปดกันญาติโยมมาแค่ห้าข้อก็พออตก็ห้าข้อนี้ก็เท่าๆกับของพระเท่าๆกับปาราชิกะ ข้อของโยมนี้ข้อที่หนึ่งก็ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตของพระ ก, ก็ฆ่าฆ่ามนุษย์เนี่ยข้อที่สองรักทัพย์ของพระบารมีของพระก็รักทรัพย์ข้อที่สามาการเาการประพฤติการตามประเพณีคือญาติโยมก็ยัง เสพกามได้แต่ต้องเสพกับสามีกับภรรยาของตนถ้าเป็นพระ ก, ก็ห้ามเสพอันนี้ข้อที่สี่ห้ามพูดปดนของพระ ก, ก็ห้ามห้ามอวดควรวิเศษที่ไม่มีในตนก็คือการพูดปดเหมือนกันแต่ถ้าพูดปดธรรมดาไม่ถือว่าเป็นประราชิกเช่นพระโกหกนี้ไม่ได้เป็นประราชิก เป็นข้อที่ปลงได้เช่นถามว่าคุณมาที่นี่หรือเปล่าผมไม่ได้มาแต่ความจริงมาอย่างนี้อันนี้เป็นเรียกว่าเป็นการพูดปดธรรมดาแม้แต่การดื่มสุราของพระก็ไม่เป็นประชาชโปลงได้เหมือนกันเป็นอาบัตไม่ไ ม, ไม่ไม่ร้ายแรงอาบัตร้ายแรงมีอยู่สี่ข้อ ส่วนสามคาทีเศษมันก็เกี่ยวกับเรื่องการเศษหรือการที่ประพฤตินตนนอกแหลมต่อการเศษกรรมเช่นอยู่สองต่อ2ในที่รับถูรับตากับสีกาอย่างนี้อย่างนี้ก็เขาก็จะถูกถูกตาหนิได้ว่ากำลังคุยเกี่ยวพาราสีกันทรเล่าเวลาอยู่กับสีกาท่านหนึ่งต้องมีหลายๆคน อยู่กันสองต่อสองไม่ได้เดี๋ยวถูกเขาตกกล่าวหาได้ว่ากำลังคุยเรื่อง เ, อเรื่องเพศสัมพันธ์เรื่องต่าแต่สมัยนี้ก็ไม่ได้ทุกวัดที่เขาจะลงปฏิโมกกันวัดปฏิบัติเนี่ยเขาลงกันประจำแต่วัดที่ไม่ใช่วัดปฏิบัตินี้บางทีเขาลงแค่เฉพาะช่วงเข้าพรรษาออกพรรษาบางวัดเขาก็ไม่ได้ลงกัน เพราะว่ามีพระน้อยบางทีพระเหลือไม่กี่รูปซึ่งตามปกติพระนี้จะต้องมีอย่างน้อยสี่รูปขึ้นไปถึงจะต้องลงประชุมกันเพื่อทบทวนพระปฏิโมกนี้ถ้ามีต่ำกว่านั้นก็ไม่ต้องลงแล้วถ้ามีอยู่สี่รูปแต่ส่วนไม่ได้ก็ต้องไปร่วมกับวัดอื่น วัดที่เขามีพระที่เขามีการลงปฏิโมกสมัยที่หลวงปู่มั่นยังมีชีวิตอยู่นี้นอกจากที่พระเนนจะอยู่ในสำนักกับท่านแล้วก็มีพระเนนอยู่สำนักนี้อยู่ใกล้ๆเคียงกันที่เดินกันไม่ห่างไกลเดินกันชั่วโมงสองชั่วโมงก็ถึงเวลาที่เป็นวันปฏิโมกนี้พระเนนก็จะ มาร่วมลงปฏิโมกกับหลวงปู่มั่นเพื่อที่จะได้ฟังรับคําสอนคาอบรมเพราะหลังจากฟังปฏิโมกเสร็จแล้วท่านก็จะแสดงธรรมต่อแสดงธรรมผู้ที่ไม่ได้มีโอกาสได้อยู่ใกล้ชิดก็ได้มีโอกาสได้ฟังในวันปฏิโมกนี้ถ้าถ้าอยู่ใกล้ชิดก็จะได้ฟังบ่อยหน่อยเพราะทักสี่ห้าวันท่านก็จะอบรมสักครั้งหนึ่งในในตอนค่าคืน แต่พวกที่ไม่ได้อยู่ในสำนักนี่ก็ต้องรอวันรอวันปฏิโมกพราอวันปฏิโมกก็เลยถือโอกาสมาลงปฏิโมกร่วมกับท่านแล้วก็รับฟังคำสอนของท่านท่านเทศทีก็ท่านหลงตาให้เราฟังก็ประมาณขั้งละสองชั่วโมงขึ้นไปได้ได้ธรรมะจุใจ อังเสร็จก็มีกําลังจิตกําลังใจที่จะกลับไป <c oughs> ภาวนาต่อไปปฏิบัติต่อ <c oughs> แต่สมัยนี้วัดที่ไม่ได้เป็นวัดปฏิบัติเขาจะไม่ได้เทศไม่ได้สอนกัน <c oughs> พอลงปฏิโมกษ์เสร็จก็สวนมนต์ต่อ น, นิดหน่อยแล้วก็จบอย่างที่นี่ก็ไม่ได้เทศกัน เราลงปฏิโมกเสร็จส่วมนมนทสั้นๆเสร็จแล้วก็จบเพราะที่นี่ไม่มีอาจารย์เป็นทางการ <c oughs> วันนี้ไม่มีเจ้าวาดอยู่เป็นประจำที่นี่เลยไม่มีปกติเจ้าวาดจะเป็นเป็นอาจารย์ของพระรูปอื่นก็ถือว่าเป็นลูกวัดด้วยกันไปทำตัวเป็นอาจารย์เขาก็หมั่นเขี้ยว <c oughs> ก็เลไม่ไม่มีการแสดงธรรมหลังจากหลังจากลงปฏิโมกเสร็จลงปฏิโมกเสร็จก็สวดสวดสองสามบทสวดเสร็จก็จบวันนี้ต้องใส่ชุดพระราชทานเพราะว่าเจ้าวาดองค์ใหม่ผู้ที่ ผู้ที่เป็นผู้มาปกครองวัดองค์ใหม่นะี้ท่านมีความเห็นว่าควรจะใส่ผ้าสีพระราชทานเพราะเป็นวัดของในหลวงในหลวงท่านเป็นคนค้นคว้าศึกษาว่าสีผ้าของผ้านี้เป็นสีอะไรท่านก็ไปได้สูตรมาจากไหนไม่ทราบก็ได้เป็นสูตรแบบสีเหลือง คือผ้าเราก็มีผ้าสีจีวรหลากหลายในหลวงท่านก็คงจะคิดว่าทำไมเมืองไทยเราไม่สามารถมีสีเดียวกันเหมือนกันหมดได้ เ, เรือเ่ีออย้ยงได้ยางไงทำไมต้องมีสีนั้นสีนี้สีความเป็นมาของแต่ละวัดมันก็มีประวัติไม่เหมือนกันบางรูปท่านก็ไปเรียนกับพวกพระทางพมา่ามาก็มีพมา่าเขาก็มีสีของเขา พวกก็ไปเรีนกับพวกสีลังกามาแต่ละที่เรียนมาจากอาจารย์แต่ละสำนักเขาก็มีสีไม่คล้ายกันมีพอเรียนจากสำนักไหนเขาให้ใช้สีอย่างไหนก็ต้องใช้สีงั้นมันก็ติดกั็นนิสัยมากันมันก็เลยแต่ละวัดก็เลยมีสีไม่เหมือนกันใน่หลวงท่านก็อยากจะให้พระในประเทศไทยนี่มีสีเดียวกันแต่ท่านก็เป็นคารวะท่านจะมา สั่งให้พระใช้สีเดียวกันมันก็ไม่ไม่ใช่ฐานะเหมือนกับไปสั่งครูบาอาจารย์ไปสั่งหลวงปู่มั่นไปสั่งหลวงตาว่าให้ใช้ผ้าสีนี้มันก็ไม่ได้ท่านก็เพียงแต่เวลาท่านถวายผ้าของท่านท่านก็จะถอดสีผ้ากระเงผ้าราชทานนี่ก็จะเป็นสีสีผ้าสีพระราชทาน แต่เรื่องเหล่านี้มันไม่ใช่เป็นประเด็นสำคัญมันเป็นเป็นองค์ประกอบที่มันมันไม่เป็นตัวที่ขาดที่เป็นที่ตายในเรื่องของการบรรลุธรรมหรือไม่บรรลุธรรมสีเหลืองก็บรรลุได้สีกัป ก, ก็บรรลุได้สีพระราชทานก็บรรลุได้ขอให้มีมากแปล ให้มีทานศีลภาวนามีศีลสมาธิปัญญาบรรลุได้ทั้งนั้นไม่ว่าหญิงว่าชายไม่ว่าเนี่ยรารวาสหรือพระนี่เพราะผู้ที่บรรลุไม่ได้รารวาสหรือพระแต่ใจที่ถูกกิเลสกดกี่ข่มเหงรังแกอยู่ทุกวันนี้ใจตอนนี้มันถูกกิเลสการปฏิบัติก็เพื่อฆ่ากิเลส กิเลสนี้ก็มีในใจของทุกคนไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นพระหรือเป็นคารวะเป็นพระใส่สีกักก็มีกิเลสใส่สีพระราชทานก็มีกิเลสแล้วสีผ้าก็ไม่สามารถที่จะมาฆ่ากิเลสได้สิ่งที่จะฆ่ากิเลสได้ก็คือทานศีลภาวนา เพราะฉะนั้นพวกเราต้องศึกษาให้อย่าหลงประเด็นให้รู้ว่าอะไรเป็นองค์ประกอบที่สำคัญให้รู้ว่าองค์อันใดเป็นองค์ประกอบที่ไม่สำคัญแต่ถ้าปฏิบัติได้มันก็ดีเช่นมีสีเหมือนกันหมดทุกคนใส่สีเดียวกันธรรมดาถ้าไปอยู่วัดไหนก็มังแก่ต้องทำตามวัด น, นั้น เพราะนั้นเขาทําอะไรอย่างไรก็ต้องทําตามไปอยู่ว่าป่าบ้านตายก็ต้องทําตามธรรมเนียมของว่าป่าบ้านตายแต่ตัวที่เป็นประเด็นสําคัญก็อตัวภาวนาเนี่ยเรียกว่าสมถภาวนาวิปัสนาภาวนาตัวนี้อะที่มันจะต้องเหมือนกันทุกทุกทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม ต้องมีสมถะภาวนาต้องมีวิปัสสนาภาวนาถึงจะมีการบรรลุมรรคผลนิพพานได้ศีลก็ต่างกันไปแล้วแต่เพศเป็นคลาวาก็ศีลแปดเป็นสมมเนยก็ศีลสิบเป็นพระก็ศีลสองอยีิบเจ็ดเป็นพิกษุนีก็สามร้อยกว่าอันนี้เป็นไปตามสถานภาพ ศีลจะต่างกันอย่างไรมันก็ทาหน้าที่เหมือนกันโดยสนับสนุนการภาวนาถ้าศีลไม่บอยสุดการภาวนาก็จะล้มลุกคุกขันถ้าศีลบอยสุดมันก็จะทาให้ราบรื่นไม่มีอุปสรรคไม่มีปัญหาเพราะถ้าเราไปทําผิดศีลมันก็มีปัญหาขึ้นมา ไมีกรณีมีคู่ความกันไปช่อโกงอยา่างก็ถูกเขาถูกเข้ามาแจ้งจับขึ้นลงขึ้นศาลแทนที่จะเวลาไปภาวนาก็ต้องเอาไปแก้แก้คดีกันเห็นต้องพยายามรักษาสิ่งตาม ส, สถาหน้าภาพของตนให้ได้ถ้าอยากจะก้าวขึ้นสู่ขั้นปฏิบัติอย่างราบรื่น ไม่มีอุปสรรคขวางกัน้นรักษาสินห้าไปก่อนถ้ารักษาศินแปดยังไม่ได้ก็รักษาศีลห้าให้ได้ก่อนรักษาศีลห้าได้ก็ลองรักษาศีนแปดดูอาทิตย์ละครั้งก่อนก็ได้ชิมลางไปก่อนซ้อมไปก่อนถ้าอาทิตย์ละครั้งได้ก็เพิ่มเป็นอาทิตย์ละสองครั้งเพมเป็นสองครั้งสามครั้งเพิ่มไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ได้ เดี๋ยวก็รักษาได้แปดได้ทั้งเจ็ดวันแปดข้อแล้วถ้าอยากจะรักษามากกว่านั้นก็ไปบวชเลยบวชเป็นสัมมนเนบวชเป็นแม่ชีแม่ชีเขาก็มีนอกจากศีลแปดก็ยังมีเศรษฐกิะอีกเจ็ดสิบห้าข้อที่เขาทำตามพระเศษกิะนี้ก็คือศีลศีลที่เป็นข้อไม่หนัะแต่เป็นเกี่ยวกับมารยา เกี่ยวกับการดำรงตนเช่นทำอะไรเช่นเวลากินเวลาเดืมให้ดื่มอย่างไรกินอย่างไรไม่ให้ยืนกินให้นั่งกินเวลากินก็ไม่ให้เคี้ยวจุบจับจุบจับให้กินอย่างมีสติกินอย่างมีมารยาทกินเพื่อความให้ดูแล้วสวยงามไม่มูมามตะกะ อันนี้ก็เป็นเรื่องของศ <c oughs> ีลที่แต่ละคนอาจจะมีต่างกันไปตามตามสถานภาพถ้าไปบวชอยู่สำนักไหน <c oughs> เขามีกฎระเบียบเพิ่มขึ้นจากศีลก็ต้องปฏิบัติตารอย่างอยู่วัดป่าวันตา น, นี้ถ้ายังไม่ได้ห้าพรรษาท่านจะไม่ให้ออกไปวิเวกไม่ให้ไปทุดง ไม่ให้รับกิ่นนิมนต์อันนี้ก็เป็นเรื่องกฎระเบียบของแต่ละวัดไม่ให้มีวิทยุไม่ให้มีเ ท, เทวทัศน์โทรทัศน์ไม่ให้มีหนังสือพิมพ์สมัยก่อนท่านห้ามเพราะของพวกนี้มันจะมาทำลายการปฏิบัติแทนที่จะเวลามาเดินจงกรมนั่งสมาธิก็จะมานั่งดูทีวี นั่งฟังวิทยุอ่านหนังสือพิมพ์กันอ่านไปแล้วยังไม่พอเดี๋ยวก็เอากาโฟงกาแฟน้ำชงน้ำชามาเดิมกันนี่ไม่ดีก็มีขนมนมเนยมาฉันกันอีกอันนี้ก็เป็นกฎระเบียบของแต่ละวัด ที่ครูบาจารย์หรือเจ้าสำนักท่านจะกำหนดขึ้นมาเจ้าสำนักที่มีความละเอียดมากมีภูมิธรรมสูงก็ย่อมมีก ฎ, ม, กฎมีระเบียบที่จะคอยเสริมให้ผู้มาอยู่ได้ปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ปิดช่องโหว่ไม่ไม่ให้ออกไปไม่ให้ไปทำภารกิจอย่างอื่นที่ไม่จำเป็นแม้จะทำอะไรต้องมีเวลเวลา เช่นเวลาจะปัดกวาดขูดถูลานวัดทําความสะอาดนี่มีเวลาไม่ทําพ่ําเพื่อบางทีฟุ้งซ่านขึ้นมาไม่รู้จะทะําแล้วก็พี่ก็ถือไม่กวาดออกมากวาดนี้เดี๋ยวมันก็ไปรบกวนคนอื่นหรอกคนหนึ่งก็เดินจงกลมนั่งสมาธินี่พี่ก็แขกแขกแขกวขกขูด ก, ก, ก, ก็ต้องมีเว ล, เวลาทําอะไรวัดปฏิบัตินี้โดยเฉพาะทําอะไรที่ส่งเสียงดังนี้ต้องระมัดระวัง ทำมันทุกอย่างต้องทําพร้อมกันมันจะไดม้มันจะได้ไม่รบกวนกันแม้แต่เวลาซักผ้าจีวร น, นี้ก็มีวันซักไม่ได้ให้ซักเหมือนทําเพื่อผ้าจีวรของพระปฏิบัตินี้ท่านไม่ได้ซักด้วยน้ําเย็นไม่ได้ซักด้วยแฟบท่านใช้น้ําต้มน้ําน้ําแก่นขนุนน้ําแก่นขนุนมันจะมีสีเหลืองเหลือออกมาเวลาซักนี้ท่านจะเอา เอาผ้าใส่ในกาละมังแล้วก็ตักน้ำที่ต้มเดือดๆดนี่เทใส่ลงไปในกาละมังในผ้าแล้วก็ใช้ซักแบบซักน้ำร้อนคือสมัยก่อนถ้าไม่มีแฟบไม่มีสบู่ท่านก็ใช้วิธีซักแบบใช้น้ำร้อนน้อมด้วยแก่นขนแก่นไม้แก่นไม้มันก็จะรักษาสีเหลืองของผ้าไว้น้ำร้อนก็จะ ซักพวกกิจต่างๆากินเหงือ่อกินใครที่ติดอยู่กับผ้ากันซักผ้าถึงจะทำพร้อมกันทั้งวัดเลยเพราะจะมีหม้อใบใหญ่ๆตั้งน้ำต้มน้ำไว้แล้วต้องมีคิวด้วยต้องตามตามระดับภรษาพระผู้น้อยจะไม่ซักก่อนต้องรอซักของครูบาอาจารย์ก่อน ของกูบาอาจารย์เสร็จแล้วก็ผ้าผู้ใหญ่ตามลำหับพรรษาก็ซักกันไป <c oughs> วันนั้นก็ทํำกิบเหมือนกันจะได้ไม่ต้องมารบกวนกันไม่ใช่วันนี้คนนี้สักวัง น, นี้คนนั้นซักสักเรื่องมาส่งเสียงทําเสียงดงเสียงดัง <c oughs> แล้วบางทีก็เป็นข้ออ้างของกิเลสภาวนาไม่ได้เดินยองโกนไม่ได้โกซักผ้าดีกว่าไหมอย่าง <c oughs> <c oughs> ตามสํานักท่านจะมีเวลาทําทุกอย่างไม่ปล่อยให้ทําไปตามอําเภอใจเห็เวลาซักผ้าก็มีเวลาซักผ้าเวลาที่จะทําเกี่ยวกับหาฟืนก็ต้องหาฟื น, ว, นวันหาวันหาฟืนวันหาหาไม้ไผ่ามาทําไม้กวาดก็หาออมีวันมีงานทําเป็นวั น, ว, นวันไป ไม่มีครูบาจารย์ไม่มีกฎระเบียบคอยควบคุมใจมันก็จะแตกกิเลสมันก็จะไปเพ่นพ่านมันไม่ก็ชอบเข้าการภาวนามนไม่ชอบเดินเจ้าพบหน้นาท้อาทีเดี๋ยวมันก็ขันไม้ขันมือหาเรื่องนั้นทําองนี้ทําแล้วก็ซ่อมกุติแล้วก็ต่อตามกุติแล้วก็ไปชักไปตัดจีวรมันมีะไรจีปาถะให้ทำอย่างนี้ การเรื่องอัฐบริขายของพระเนี่ยเดี๋ยวก็ซ่อมกรดบ้างเดี๋ยวก็ซ่อมบาดบ้างมันจะหาเรื่องทำไปเรื่อยแต่ไอเรื่องภาวนานี้มันจะไม่ค่อยชอบทำนอกจากคนที่ภาวนาได้ผลแล้วนี่ถ้าได้ผลแล้วนี้จะไม่อยากจะทำงานอะไรอย่างอื่นจะเอาแต่ภาวนาอย่างเดียวแต่เดินจงผมนั่งสมาธิเพราะว่ามันได้ได้ผลเป็นกรอบเป็นกรรม ผลที่ได้จากการภาวนานี่มันดีกว่าผลที่ได้จากการมาซ่อมกุติมาซ่อมจีวรมากุติมันก็พออยู่ได้ก็อยู่กับมันไปไม่ต้องซ่อมมันเลยเสียเวลาไปเปล่ามาเดินจงกรมนั่งสมาธิทําใจให้สงบดีกว่ายิ่งมาเจริญปัญญาเห็นตายรักเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นนริยาศาสตร์ได้เอาว่ามันยิ่งมีความสุขความทุกข์มันน้อยลงไปเรื่อยๆ กิเลสมันหดตัวลงไปกิเลสมันมันกลัวปัญญามากพอพูดถึงความตายนี่มันหดเลยใครโลภอย่างได้อะไรนี้พอนึกถึงความตายข้อหน่อยกูจะออกไปทําไมวะเดี๋ยวก็ตายแล้วที่โลภกันนี้ก็เพราะลืมตายกันเพราะคิดว่าไม่ตายกันหรือคิดว่าความตายมันยังอยู่ไกล แต่วันใดวันดีคืนดีคนใกล้ชิดตายไปขึ้นมาสักวันหนึ่งนี่โอโ้โหมันสามารถทำให้ใจนี้ป่อเข้าไปได้แต่อาจจะไม่นานเดี๋ยวพอเผาเสร็จอะไรเรียบร้อยเดี๋ยวก็ลืมแล้วลืมแล้วก็กลับมาพอใหม่โลกใหม่มันต้องระลึกถึงความตายอยู่เรื่อย เราอยากที่จะกําจัดความโลภความอยากต่างๆคี่อยู่เรด้วยว่าตายไปเราเอาอะไรไปได้บ้างสมมติเราตายไปวันนี้แล้วเราเอาอะไรไปได้สิ่งที่เราอยากได้ในวันนี้แล้วเอาไปได้ไหอถ้าเราได้มาในวันนี้ได้เช้าแล้วตอนเย็นก็ตายไปสิ่งที่เอาไปได้ทำไมไม่เอากันมาเอาสิ่งที่เอาไปไม่ได้ทำไมมันต้องคิดอย่างนี้ สิ่งที่เอาไปได้ก็คือความสงบเลยความสงบที่เป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งทั้งหลายในโลกนี้เอาอันนี้ไปสิสร้างอันนี้กันขึ้นมาสงบได้ต้องมีสติตลอดเวลาต่อเนื่องควบคุมความคิดที่เป็นตัวทำลายความสงบอย่าให้มันคิดให้มันสักแต่ว่ารู้ ถ้ามันจะคิดการมันคิดไปในทางปัญญาคิดว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพากจากกันมันจะได้หยุดหาเรื่องต่างๆหาสิ่งต่างๆหากันไปทำไมตายไปเอาอะไรไปได้บ้างของภายนอกที่เราหากันของเอาไปไม่ได้เลยของภายนอกใจเอาไปได้ก็คือของในใจของในใจก็คือสติสมาธิปัญญา ที่เรียกว่าอาริยทรัพย์ได้ความสงบไปได้นัติสันติปลังสุขขังไป <c oughs> ลาบยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสปฎภะนี้เอาไปไม่ได้มีมากมีน้อยเท่าไหร่แต่เวลาตายไปก็กลายเป็นของคนอื่นไปนหมดต้องคิดอย่างนี้มันถึงจะทำให้เกิดความขวนขวายขึ้นมา คอความตื่นตัวขึ้นมาเพราะมันเป็นปัญญาแสงสว่างที่จะมาทําลายความมืดบอดความหลงที่คอยครอบงำจิตใจหลงให้คิดว่ามีมากๆจะดีจะมีความสุขมากมีสิ่งนั้นจะมีความสุขมีสิ่งนี้จะมีความสุขแต่ไม่เคยคิดว่าจะมีได้นานสักเท่าไหร่ที่ได้มาได้เช้าเย็นก็หมดไปก็มี วมดก็หาใหม่เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปหาใหม่หามันอยู่ทุกวันหาความสุขกันทุกวันพอได้มาก็มีความสุขพอพอมันหายไปก็ความสุขก็หายไปไปดูหนังก็มีความสุขออกจากโรงหนังมาก็หายไปออกจากโรงหนังก็ต้องเข้าโรงอาหารต่อหาขนมกินต่อ มันหาจากความสุขจากรูปแบบหนึ่งไปสวยรูปแบบหนึ่งหาไปตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับแล้วก็หาอยู่นั่ น, นทุกวันหาได้เท่าไหร่มันก็หมดไปท่างนั้น <c oughs> แล้วตายไปก็เอาไปไม่ได้เลยไปแบบไปแบบมือปเปล่าไปแบบขอทานไปแบบผิวโหวย ไม่มีความอิ่มความพอถ้าเอาได้ความสงบนี้มันจะได้ความอิ่มความพอแล้วไปก็ไปแบบเศรษฐีไม่หิวไม่โหยเครื่องวัดความเป็นเศรษฐีไม่ได้อยู่ที่จํานวนเงินอยู่ที่ความอิ่มความพอหรือความหิวโหยถ้ายังมีความหิวโหยมีความอยากก็แสดงว่ายังไม่เป็นเศรษฐีจริง ถ้ามีความอิ่มความพอนั่นแหละเศรษฐีจริงพอแล้วไม่ต้องการแล้วมีมากพอแล้วแสดงว่านะถ้าเป็นเงินก็พอแล้วมีเงินพอแล้วถ้ายังต้องการเงินเพิ่มอีก็แสดงว่ายังไม่เป็นเศรษฐีจริ <c oughs> งังเอาเวลาที่มีคุณค่านี้มาปฏิบัติกันนะ มาภาวนากันมาสร้างรับภายในกันมาสร้างความสุขที่แท้จริงที่จะเป็นสมบัติของเราไปตลอดอย่าไปเอาความสุขภายนอกใจความสุขที่อยู่กับลาบยศสรรเสริญอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสผลสะพะเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่ไม่ให้ความอิ่มความพอแต่ให้ความหิวความอยาก ถ้าไปก็จะไปกับความหิวความอยากถ้ามีความสุขทางใจมันก็ไปแบบเศรษฐีไปอย่างอิ่มอย่างสบาย mm hmm. ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอยุติไว้เพียงเท่านี้จะอนุโมทนาให้พร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 สัพพะโรโควินาศตุมาเตภวทวันตรายยสุขีทีขายุโกภะอภิวาทานสิริปสานิจังวุทธาปจายโนจัตตารโธรมมวะทานติอายุวโนสุขังพาลังสัอะไรวะยังไง เอาเลยเอาเต็มที่เลยแจกของแจกเอาไปอ่านเอาไปเลยเอาไปบูชาก็อย่าเอาไปเอาไปอ่านจะเออาไปเอาไปเอาเนี่ยก็ให้พอแล้วไม่ใช่หรออย่าเอาแล้วอย่ามีอะไรจะถามก็ถามได้เนา โทรมาขอคำปรึกษาเรื่องที่ว่าจะกลับมาดีไหมก็กลับมาก็เหมือนที่คือเขอก็ไม่มีอะไรที่นี่แต่ว่ามันก็ต้องดูผลว่ากลับมาแล้วดีกว่าอยู่หรือเปล่าถ้ากลับมาดีกว่าอยู่ก็มาถ้าอยู่กว่าอยู่ดีกว่ามาก็อยู่ดีกว่ามสสาาก็ต้องดูดูผลอย่าไปดูตามความอยากถ้ากลับมาแล้วผลมันดีกว่าก็มาแต่ถ้า กลับมาแล้วมันแยกกว่าอยู่ก็อย่ามาดีกว่าทนอยู่ตรงนั้นไปดีกว่าอย่าหนีเสือปะจระเข้หนีเสือเดี๋ยวก็มาเจอจระเข้ก็อยู่กับเสือไปดีกว่าบางทีใจมันหลอกเราหรอยู่ที่นี่มันจะมักจะหลอกว่าที่นู่นดีกว่านี่เราต้องหาข้อมูลจริงๆอย่าอย่าทาอย่าคิดตามอารมณ์ดูยอดรายได้เป็นหลัก ดูอันนันตัววัดว่าดีแล้วไม่ดีอยู่ที่น네ี่ได้เดือนละกี่มืออยู่ที่ไหนอยู่ที่น่เลยเอาไปตรนั้นดีกว่าถ้าอยากบอกเขาว่าอยู่ที่นี่ก็ใกล้กบายจงันก็เป็นแผ่นดินไทยมีใกล้พี่น้องเราไปยัได้พึงเสได้ มันก็มีได้มีเสียไม่มีไม่มีได้ตั้งหลอดๆนี่นู่นลูกก็ได้เรียนหนังสือเป็นได้ภาษาได้อะไรของเขาไปมอยู่ที่นี่เขาก็จะไม่ได้ส่วนนั้นเขก็ต้องชั่งน้าหนักดูอ่าอ้าถือยังทำแอร์อยู่เ่ อะไรดูบะกคาต้าเลยอนนเป็นคูเวตตอนนี้เป็นแ่มีเหตุการณเยอรมันเขาก็รีบออกกฎเลยใช่ไมวานกินคนินคนใดเขต้องมีคนขับอยู่ด้วยมีคนรู้อยู่ด้วยสองคนก็อย่างว่านะไม่มีอะไรแน่นอน